ดินพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองในสายน์พุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติมาบำเพ็ญเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเป็นการพัฒนาที่แท้จริงการพัฒนาทางโลกเช่นทางลาบยศ จะรเริญความสุขทางกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ถือว่าเป็นความสุขเป็นความเจริญที่แท้จริงเนื่องจากอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยง ม, มีการเจริญก็ต้องมีการเสือ่อมหมดไป ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราหรือเป็นของเราไปได้ตลอดเพราะเมื่อเวลาที่ร่างกายเราหยุดทำงานทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่เรามีเป็นของเราก็จะตกเป็นของผู้อื่นไปเราไม่สามารถเอาอะไร ติดตัวไปกับเราได้นอกจากจิตใจของเราที่ได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะรู้หรือไม่ว่าการพัฒนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญสุขถ้าเราไม่รู้ เราก็จะหลงเสียเวลาไปพัฒนาราบยศสารเสริมสุขแล้วพอเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปใจของเราก็ไม่ได้รับการพัฒนาและนอกจากไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็อาจจะได้รับการลดคือได้ลดฐานะให้เสื่อมลงไปให้ต่ําลงไป เนื่องจากในเวลาที่เราพั ฒ, พฒนาราบยศสละเสริญสุขเราก็อาจจะไปทำบาปทำกรรมคนที่ต้องทำหากินหาเงินหาทองที่มีความโลภความอยากมากๆเขาจะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นเช่นศีลข้อที่สี่ คือการไม่พูดปด <c oughs> เวลาทรรมบนี่ส่วนใหญ่ชอบพูดปดกันคือรับปากว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แต่พอถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำแต่เนื่องจากความโลภความอยากได้ของลึกอะไรก็ตามจากผู้อื่นเวลาทำการตกลงกันก็จะโกหกไปก่อนว่าทำได้ แต่ตอนเองนั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่แต่ขอให้รับปากไว้ก่อนพอถึงเวลาจริงๆก็ทำไม่ได้ก็เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เรารับปากให้กับเขาเราอาจจะได้เงินได้ทองได้สิ่งต่างๆมาแต่เราต้องเสียสิ่งที่ดีไป คือคุณภาพของจิตใจของเราจะตกต่ำลงไปร่างกายของเราอาจจะเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจของเราเนี่อาจจะเลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ได้เพราะการจะเป็นมนุษย์ได้นี้จะต้องมีศี่ห้าเป็นคุณสมบัติเธอต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด ไม่เสกสุรายามาถ้ามีการกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วแสดงว่าจิตใจของเรานั้นได้ลดชั้นลงไปแล้วจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างหรือไปเป็นนรกบ้างอยู่ที่การกระทำของเราไม่มีใครเสกเป่าให้เราสาบแช่งให้เราตกดำได้ มีการกระทำของเราเท่านั้นที่จะสาบแช่งให้เราตกตำ่ำหรือจะเสกเป่าให้เราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปแม้ในขณะที่เรายังมีกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลเราก็จะใจของเราก็จะกลายเป็นเทพไป แล้วถ้าเรานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้ใจก็จะกลายเป็นพรหมไปแล้วถ้าปรองอนิจจมทุกขงังอนัตตาได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เทีย่ยงไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดติดไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการไม่มีอะไรอยู่กับความว่างอยู่กับจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ก็จิตใจก็จะได้เป็นพระอระหันต์เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นอยู่กับการปล่อยวางว่าจะปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไรนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงเพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายเหมือนกับราบยศสารเสริญสุขที่เราอุตส่าห์ขวนขวายตะเกียกตะกายแสวงหามาด้วยความยากลําบากพอร่างกายนี้ตายไปแล้วราบยศสารเสริญสุขทั้งหลายก็หมดไปไป เวลาไปก็เอาใจที่ไม่ได้รับการพัฒนาได้รับแต่การลดชั้นให้ลงต่ำไปเนื่องจากการที่ขวนขวายหาลากยศสรรเสรินสุขก็มักจะเผอพลังไปทำบาปทำกรรมนี่คือปัญหาของพวกเราก็คืออยู่ที่ว่าพวกเราไม่รู้กันว่า การทำบาปของเรานี้มีความเสียหายกับจิตใจของเราอย่างใหญ่หลวงและเราไม่รู้ว่าการทำบุญละบาปการชำระใจของเราชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ น, นี้เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่แท้จริงเป็นความเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริง มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วด้วยความเมตตากรุณาสงสารเห็นพวกเรานี้เป็นพวกตาบอดไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วก็เลยได้ นำเอาสิ่งที่ท่านรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราจึงถือว่ามีวาสนามีบุญมีโชคที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินคำสอนเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขและความเจริญที่แท้จริง <Yeah. S 1> เมื่อเราทราบแล้ว สิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือควรจะปฏิบัติตามไม่ต้องไปลังเลสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนทุกคำพูดรวนเป็นความจริงทั้งนั้นไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้2500กว่าปีมาแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอดีตก็ยังเป็นจริงในปัจจุบันผู้ที่ยึดนำมาไปปฏิบัติก็สามารถรับประโยชน์ได้เช่นเดียวกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ไม่มีความแตกต่างกันเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกแปลว่า ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่อยู่เป็นเหมือนเดิมแม้กระทั่งภูเขาหรือก้อนหินก็ยังต้องเสื่อมไปแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อม คือหมายถึงประสิทธิภาพไม่เสื่อมเป็นเหมือนยาที่ไม่มีวันหมดอายุใช้ได้ไปตลอดใช้รักษาโรคจิตใจโรคของความทุกข์ใจโรคของความเสื่อมของใจได้ไปทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ผู้ใดมีปัญญาที่จะสามารถ เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ก็สามารถรับผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายรับผลได้จึงมีการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นระยะระยะถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสื่อมสลายหมดไปแล้วก็ตามแต่ ผู้ใดก็ตามที่มีบา ร, รมีพอมีปัญญาความฉลาดพอก็ยังจะสามารถค้นคว้าหาความจริงที่พระพุทธเจ้าในอดีต ท, ทั้งหลายได้พบได้เราจึงมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่เรื่อยๆต่อไปในอนาคตก็จะมีอมหม่มาปรากฏ เพียงแต่ว่าระยะเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาปรากฏให้แก่สัตว์โลกเป็นจารณะให้แก่สัตว์โลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานมากไม่ใช่เป็นล้านล้านปียาวกว่า น, นั้นเขาเรียกก็เป็นกับกับนี้ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเอาผ้า พื้นหนึ่งมาลูปกับภูเขาฮิมัลัยหนึ่งครั้งทุกๆุ ก, กร้อยปีถ้าเราทำอย่างนี้ทุก ท, กทกุร้อยปีไปจนกระทั่งการลูบภูเขานี้ทำให้ภูเขาเสือ่อมราบเท่ากับพื้นดินนั่นแหละคือระยะเวลาหนึ่งกับและเวลาเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้มาปรากฏ ให้เป็นสารณะของสัตว์โลกก็หลายกลับด้วยกันไม่ใช่เพียงกลับเดียวดังนั้นระยะเวลาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงห่างไกลกันมากโอกาสที่พวกเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากแต่พวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีโชค เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคบสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ไปถึงจุดสูงสุดได้เรามีโอกาสที่ได้ควา้าทรัพย์อันเสรฐมาเป็นสมบัติของเราได้เรามีโอกาสหลุดพ้น จากการเวียนว่ า, ายตายเกิดได้ถ้าพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้ก็ไม่มีใครจะมาที่เราจะไปโทษได้ว่าทำให้เรายังต้องตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ก็อยู่ในตัวเรานี่เองที่ยังไม่มีศรัทธาที่แก่กล้าพอที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆจากการ อยู่แบบที่เราอยู่กันคือมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสเล็กๆน้อยๆมีความสุขกับบุคคล น, นั้นแต่เราไม่เคยคิดถึงความทุกข์ที่เราจะต้องประสบอยู่ทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปเพราะแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเราจะต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพราคจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบไปนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามักจะมองข้ามไปเวลาที่มันเกิดแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะดับมันได้เพราะเราไม่ให้เวลากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้านั่นเอง เรามักจะปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสตัณหาที่คอยสอนให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญสุขมาสะสมไว้ให้มากๆเพราะคิดว่านี่คือสารณะคือที่พึ่งที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แต่ต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงไหนก็ตามก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้ของความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย จากความพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปเพราะใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องปกป้องไม่ให้จิตใจไปทุกข์กับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทำบุญทำบุญได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ละบาปได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ใจของเราก็จะมีธรรมะที่เรเรียกว่าสารนำกัจฉามินี้เป็นเกราะคุ้มกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้มาเหยียบย่ำทําลายจิตใจของเราได้เลย และในขณะที่เราดำเนินการปฏิบัติไปถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ถึงจุดสูงสุดก็ตามแต่ใจของเรานั้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆภพชาติของเราที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเป็นสุขติเสียส่วนใหญ่ หรือเป็นสุคติตลอดไปเลยถ้าเราได้เข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลคือถ้าเราได้เข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วเรื่องของการที่จะต้องกลับไปเกิดในอบายนี้ก็จะไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะมีธรรมะปิดกั้นเอาไว้ ธรรมะจะปกป้องไม่ให้จิตใจต้องกลับไปใช้เวงใช้กรรมในอบัยต่อไปถึงแม้ว่าบาปกรรมต่างๆที่เคยทำไว้ยังไม่ได้ส่งผลก็ตามแต่เนื่องจากบา ร, รมีของธรรมที่เป็นสารนังกระฉามิี้จะปกป้องไม่ให้จิตใจต้องไปเกิดในอบัยอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต ไม่ต้องไปตกนรกแล้วก็พบชาติที่มีเหลือก็จะมีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดได้แต่ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจดชาติแล้วก็จะต้องบรรลุขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีพระพุทธศาสนา อยู่หรือไม่ก็ตามพระโสดาบันนี้ท่านไม่หลงทางแล้วท่านมีแผนที่แล้วคือท่านมีธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นพระอริยสัจสีเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากท่านเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเวลาที่ท่านกลับมาเกิดแล้วท่าน กลับมาเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะรู้อยู่ในใจเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นและความทุกข์ก็เกิดจากความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราท่านก็พยายามจะสอนใจให้ละให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดไม่ให้ไปอยากได้ พอท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆกำลังของธรรมะก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้ท่านสามารถตัดสิ่งที่ท่านยังติดอยู่ได้ให้น้อยลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดจิตของท่านก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากขั้นพระโสดาบันก็ขึ้นสู่ขั้นพระสติดาคามี จากพระเสกสิดาคามีก็เป็นพระอนาคามีจากพระอนาคามีก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นการพัฒนาในจิตใจไม่ได้พัฒนาที่ร่างกายร่างกายของพระอริยะหรือของปุถุชนนี้เป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระอริยเจ้า ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือของสิ่งต่างๆทั้งหลายแต่ปุ้ทุชนนี้ยังจะต้องทุกข์อย่าต้องวิตกกังวลว่าวุ่นขุนมัวหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโน้อที่จะมากระทบกับร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ความกลัวเหล่านี้จะไม่มีในใจของพาาระอรหันต์ของผู้ที่ได้ชำระกำจัดความโลภความหลงความโกรธความอยากต่างๆปดสิ้นไปจากใจแล้วเมื่อเราไม่มีความอยากกับอะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหากับเราเช่นใน ตัวเรานี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องที่เราไม่มีความยึดติดด้วยเราไม่มีความอยากด้วยอะไรจะเกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านั้นเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเช่นบ้านของคนอื่นทรัพสมบัติของคนอื่นลูกเต้าสามีภรรยาของคนอื่นเวลาเขาเป็นอะไรไปเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยาก เราไม่มีความผูกพันไม่มีอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่นไปวุ่นวายไปหวาดกลัวกับการสูญเสียแต่ทำไมกับสิ่งที่เรามีอยู่เรากลับต้องหวาดกลัววิตกกังวลว่าวุ่นขุนมัวทุกใจ ก็เพราะว่าเรามีความหลงไปยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นเองสามีเราภรรยาของเราลูกของเราสมบัติของเราบ้านของเราพอมีอะไรมากระทบกับสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็เกิดความว้าวุ่นขุนัวขึ้นมาทันทีเพราะความหลงที่เราไปคิดว่าเป็นของเรา ไปคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั่นเองแทนที่จะให้ความสุขกับเป็นการให้ความทุกข์กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราไปยึดติดนี้น้อยมากไม่เท่ากับความทุกข์ที่เราได้รับแต่เราก็ไม่รู้จักทางออกเราไม่รู้ว่าเราสามารถ อยู่ได้โดยไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเราต้องมีลาบยศเสริญสุขมากๆเราถึงจะมีความสุขมากๆนี่คือความหลงพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้พิสูจน์แล้วว่าการมีสิ่งเหล่านี้มากๆก็มีความทุกข์มากๆนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เคยมีมาแล้วมีปราสาทสามลื่อูมี ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแทบตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าทพระองค์ทรงปรารถนาแต่มันก็ยังไม่ได้ให้ความสุขที่อิ่มที่พอยังให้ความวิตกกังวลความทุกข์ในยางที่ไม่ได้สัมผัสกับความสุขเหล่านี้จึงทำให้พระองค์นี้มีความกล้ า, าหาญที่จะ ปล่อยวางความสุขต่างๆเหล่านี้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็ออกไปหาความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขใจที่สงบจากความโลภความโกรธความหลงที่สงบจากความอยากต่างๆนี่เองด้วยการทำบุญด้วยการละบาปด้วยการชำระใจให้สะอาดโรยสุ์ คือการปฏิบัติทางทานศีลภาวนานี่เองทําบุญให้ทานอย่าหวงข้าวของเงินทองที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยอย่าเก็บเอาไว้มันจะเป็นภาระมันจะเป็นความทุกข์ปล่อยถ้าเราเอาไปให้ผู้อื่นแล้วมันจะกลายเป็นความสุขขึ้นมาเวลาเราได้ทําบุญได้ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันในวันนี้ทำให้จิตใจของญาติโยมมีความสุขเพราะเกิดอาการปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและเกิดจากการละความโลภความอยากได้แทนที่อยากจะได้มากตอนนี้กลับอยากจะได้น้อยมีมากเกินไปก็เอาไปทำบุญให้ทาน นี่คือการทำใจของเราให้มีความสุขให้พัฒนาสูงขึ้นไปนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามทำกันให้มากๆทำทานกันให้มากรักษาศีลกันให้มากแล้วก็ภาวนาพัฒนาจิตใจด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สมถภ า, าวนาก็คือทำใจให้สงบให้ให้มีความสุขพอใจมีความสุขแล้วแล้วก็ให้พัฒนาด้วยการภาวนาวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดเวลาใจมีความสงบแล้วเวลาสอนเรื่องความจริงใจก็จะยอมรับได้จะเห็นตามความจริงแต่เวลาใจนี้ไม่มีความสงบ กิเลสยังทำงานอยู่เวลาสอนใจให้เห็นความจริงก็จะถูกกิเลสมาคัดค้านฉันบอกว่าควรที่จะสละทรัพย์สมบัติกิเลสก็จะออกมาคัดค้านว่าเดี๋ยวเราจะอดตายจะอดอะไรเงินยังมีเหลือต้องเยอะแยะไม่ได้ให้ทั้งหมดไม่ให้หมดเนื้อหมดตัว เงินที่ยังจําเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้กินเพื่อไม่โหดตายก็ให้เก็บเอาไว้แต่มันจะไม่คิดอย่างนั้นมันจะคิดว่าเสียเสียสิบบาทเสียยีสิบบาทนี้ก็จะอดตายขึ้นมาแล้วที่เวลาเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าชุดใหม่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเต้นไปลํากลับไม่เคยคิดว่าจะอดตายกัน นี่คือเรื่องของกิเลสจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราจะทำบุญจะรักษาสิงจะภาวนานี้กิเลสจะออกมาต่อต้าน ท, าทันทีไม่มีเวลาบ้างทำไปแล้วจะได้ผลหรือเปล่าหรือวาสนาน้อยชาตินี้ไม่มีบุญขอรอไปชาติหน้าก่อนนี่คือกับดักของกิเลสที่มันจะคอยวางกับไว้ตามทางที่เราจะเดิน ไปสู่พระนิพพานกันถ้าเราหลงเชื่อเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานกันได้เพราะเราจะผัดไปเรื่อยๆชาตินี้ก็ผัดไปพอชาติหน้าก็ผัดต่อไปผัดมันไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปก็เลยกลายเป็นบัวใต้น้ําไปเป็นบัวที่ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้ แต่ถ้าเราปฏิเสธคำสอนของกิเลสเราต้องยึดตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายว่าทำไมท่านปฏิบัติได้ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านไม่เชื่อกิเลสเท่า น, นั้นเองท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่อพระสาวกทั้งหลายดังนั้นขอให้เราอย่าเชื่อกิเลส ข, ขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พยายามศึกษาคำสอนพยายามพยายามศึกษาประวัติการปฏิบัติของท่านแล้วยึดเอามาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วรับรองได้ว่ากิเลสจะไม่มีทางที่จะมาหลอกให้เราหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต่อไปได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่แท้จริงและถาวรนี้ให้ท่านไดน้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศล